การบวชพระในสมัยพุทธกาลนี้เขาบวชแบบไม่ศึกกันเขาบวชเพื่อละกิเลสคำว่าภิกษุนี่แปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารในโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นทุกข์ เกิดกี่ครั้งก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายทุกครั้งไปก็เลยเห็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิดคำว่าพระภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารสังสารวัฏสังสารวัฏก็ชื่อของโลกของการเวียนว่ายตายเกิดของตายพบมีอยู่สาม สามโลกสามภพในการการมาพบรูปภพอรูปภพทุกสัตว์ทุกองค์ทุกรูปนี้ถ้าไม่ได้ชำระกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆก็จะต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆภพ ทั้งสามนี้ก็มีความสุขความทุกข์ต่างกันการมาพบนี้มีความสุขความทุกข์มีความทุกข์มากกว่าความสุขของรูปรูปภพกับอรูปภพอรูปภพนี้เป็นภพของผู้ที่ได้ฌานสมาบัติได้ฌานขั้นต่างๆเรียกว่าเป็นเป็นพรม ถ้าได้สมาธิได้ฌานตายไปจิตก็จะไปเป็นพรหมมีรูปประพรมกับอ ร, รูปประพรมแต่ถ้ายังไม่ได้สมาธิยังต้องเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสอยู่อย่างพวกที่ยังต้องไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปทำอะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ก็จะติดอยู่ใน กามาพบกามาพบก็มีเป็นสองซีกซีกที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์กับซีกที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขซีกของที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์ก็เรียกว่าสุขคติก็พบของเทวดาเป็นสวรรค์ชั้นต่างๆสิ่งที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขเราเรียกว่าอบายอบายก็ เป็นที่เกิดของเดรัจฉานเปรตอสุรกายอนรกพวกนี้เกิดจากการทำบาปอบายนี้เกิดจากการทำบาปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดดื่มสุรายาเมาถ้าทำบาปอย่างต่อเนื่องอย่างมันเป็นนิสัยตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบาย ชั้นใดชั้นหนึ่งส่วนมนุษย์นี้ถือว่าเป็นภพที่กลางๆสุขกับทุกข์มีประมาณเท่าๆกันมีสุขมีทุกข์พอๆกันและพพมนุษย์นี้เป็นภพที่มาสร้างภพใหม่เป็นผู้ที่มา ทำบุญทำบาปเป็นผู้ที่มาเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเป็นผู้ที่มาทำอะไรตามความโลภความโกรธความหลงทำตามความอยากต่างๆพอตายไปก็จะต้องไปเกิดในภพอื่นๆถ้าทำบุญไม่ทำบาปได้รักษาศีลได้ ไม่ทำบาปทำแต่บุญก็จะไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆถ้าถือศีลสูงกว่าศีลห้าได้คือศีลแปดฝึกสมาธิทำจิตให้สงบได้ก็จะไปเป็นพรหมแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรมันก็ต้องหมดมันเป็นภพที่ไม่ถาวรเป็นพรหมได้ จนกว่าบุญที่ส่งให้ไปเป็นพรหมหมดกําลังก็จะเลื่อนลงมาเป็นเทพจากเทพก็เลื่อนลงมาเป็นมนุษย์ใหม่เช่นเดียวกับพบที่บาปส่งไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนสุลกายหรือเป็นนรกพอบาปที่ส่งไปหมดกําลังก็ให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มา ทำบุญทำบาปใหมเพราะมีความอยากมีความโลภวันไหนมีอารมณ์ดีก็อยากทำบุญวันไหนมีอารมณ์ไม่ดีก็อยากจะทำบาปมันก็เลยทำให้มีการสร้างภพสร้างชาติมีการเวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตาย ผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยของการมาเกิดก็อยากจะไม่ก็ับมาเกิดมีพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลแรกหรือมีหลายหลายบุคคลที่ไปบวชกันพวกนัก บ, บวชนี้เขาเห็นภัยในการเกิดแก่เจ็บตายแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงตัดสรรวยังไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ไม่กลับมาเกิดกัน รู้แต่วิธีที่จะทําให้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นสูงสุดชั้นชั้นพรมกันชั้นรูปประพรมชั้นอรูปประพรมแต่ยังไม่สามารถที่จะทําให้ไม่กลับมาเกิดเลยคือไปถึงพระนิพพานมีพระพุทธเจ้าที่มีความรู้ความสามารถที่จะทําจิตให้ไปถึงพระนิพพานได้ ด้วยการค้นพบว่าเหตุที่ทำให้มาเกิดกันก็คือความโลภความอยากนี่การมามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาพระองค์ก็เลยทรงใช้ความเพียรพยายามได้ปัญญาเห็นปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาวิเคราะห์จนเห็นว่า เอตที่ทําให้จิตต้องมาเวียนว่ายตายเกิดก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องกําจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยการบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาผ<ช>ู้ที่มาบวชนี้ถึงมาการมาบวชนี้ก็เพื่อมาบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญา ที่เรียกว่าตายสิขาสมัยพุทธกาลบวชกันนห้บวชไม่เสกกันบวชเพื่อที่จ ะ, ะชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเวลาใจที่สะอาดจากการได้ชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากแล้วใจจะมีความสุขมาก เรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังให่ที่ ส, สุดบริสุทธิ์นี่เป็นนิพพานที่เป็นมล ม, มสุขเป็นถ้าเปรียบเทียบก็เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดสูงกว่าสวรรค์ของพรหมและเป็นสวรรค์ที่ถาวรที่ไม่มีการที่จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีก สมัยก่อนการบวชจึงเป็นเพื่อการหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวแต่สมัยนี้กลับพลิกเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเห็นว่าการบวชเพื่อการหลุดพ้นนี่เป็นของยากเป็นของที่เป็นไปไม่ได้มีแต่บวชเพื่อเหตุผลอย่างอื่นส่วนใหญ่ก็บวชเพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดา เป็นธรรมเนียมเป็นความเข้าใจว่าลูกได้บวชนี้จะทาให้พ่อแม่ได้ขึ้นสวรรค์ด้วยเป็นเหมือนเกาะชายผ้าเหลืองความจริงการบวชของลูกนี้ไม่ได้ไปทำให้พ่อแม่ได้ขึ้นสวรรค์การบวชนี้เป็นเพียงแต่เป็นเป็นเหตุที่ทำให้พ่อแม่ได้เข้าวัดกัน พอถ้าลูกไม่บวชพอลูกไม่มาวัดพ่อแม่ก็ไม่ได้มีความคิดว่าจะต้องมาวัดแต่พอลูกมาบวชก็คิดถึงลูกห่วงลูกก็ต้องมาวัดมาเยี่ยมลูกมาเยี่ยมพระเมื่อมาวัดก็ต้องมาทํากิจกรรมที่ทางวัดจัดให้เช่นมีการใส่บาตรมีการถวายอาหารถวายสังฆทาน มีการฟังเทศฟังธรรมมีการรักษาศรรีลพอได้มาวัดก็เลยได้มาสัมผัสกับธรรมที่เป็นเครื่องชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากถ้าได้มาวัดก็จะมาได้ทำบุญจะได้มาถือศรรีลแล้วถ้าเอาไปปฏิบัติต่ออย่างต่อเนื่องตายไปก็ขึ้นสวรรค์ได้ เหตุที่พาให้ขึ้นสวรรค์เป็นเทพก็ก็เพราะว่าไม่ทำบาปทำแต่บุญทำบุญไม่ทำบาปอันนี้เป็นเป็นเรื่องของการเกาะชายผ้าเหลืองคือถ้าลูกบวชแล้วก็ห่วงลูกคิดถึงลูกก็จะมาเยี่ยมลูกที่วัดมาก็จะมาทำบุญแล้ว ถ้ามีการแสดงธรรมก็ได้ฟังธรรมแล้วถ้าฟังแล้วได้รับความรู้ความเข้าใจว่าตายไปแล้วนี่ยังไม่สูญตายไปแล้วยังต้องไปเกิดต่อจะไปเกิดที่ไหนอย่างไรก็อยู่ที่การกระทำในปัจจุบันเมื่อรู้ว่า ถ้าไปสวรรค์จะไปอย่างไรก็อาจจะเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อขึ้นมาก็จะทำบุญรักษาศีลนัเว้นการกระทำบาปถ้าทำอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันตายก็รับรองได้ว่าตายไปก็ได้ไปเป็นไปสวรรค์อย่างแน่นอน นี่คือเรื่องเกาะชายผ้าเหลืองแต่ถ้าลูกบวชแล้วพ่อแม่ไม่สนใจมาติดตามมาเยี่ยมเยียนมาทํากิจกรรมที่ทางวัดจัดให้ก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการบวชของลูกผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็คือลูกลูกก็จะได้เรียนรู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด เรียนรู้ว่าสวรรค์นรกนี้มีจริงไปสวรรค์ไปอย่างไรไปนรกไปอบายไปอย่างไรต้องการที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดทำอย่างไรพอรู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วปฏิบัติได้ก็จะสามารถที่จ ะ, ะส่งให้จิตให้ใจหลังจากที่ตายไปแล้ว พ้นจากบายได้ไม่ต้องไปเกิดในบายถ้ายังไปไม่ถึงนิพพานก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบวชสมัยปัจจุบันสมัยนี้มีความคิดว่าการไปท่า น, นิพพานนี้เป็นของยากไม่มีพระพุทธเจ้า ไม่มีพระอริยสงสาวกมาสอนมาพาไปแต่ถ้าเป็นคนที่สนใจศึกษาจริงๆ จ, จะรู้ว่าอการไปนิพพานนี้ก็ไม่ไม่ยากไม่ง่ายเหมือนกับสมัยพระพุทธกาลสมัยพุทธกาลยากง่ายอย่างไรสมัยนี้ก็ยากง่ายอย่างนั้นที่ยากที่ง่ายนี้ไม่ได้อยู่ที่ใครหรอกอยู่ที่ผู้ปฏิบัติ อย่ผู้ที่อยากจะไปนิพพานหรือไม่ถ้าไม่อยากไปนิพพานก็จะรู้สึกว่ายากเพราะการจะไปนิพพานนี้จะต้องงดการกระทากิจกรรมทางร่างกายงดการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายแล้วก็ต้องบำเพ็ญต้องเจริญสติเจริญสมาธิต้องรักษาศีลต้องเจริญปัญญา ก็เลยจะรู้สึกว่ายากแต่ถ้าได้ศึกษาแล้วดูสิ่งต่างๆที่จะต้องปฏิบัติมันก็ไม่ยากเย็นอะไรการรักษาศีลนี่มันง่ายแสน ง, ง่ายนั่งเฉยๆก็อย่างนี้ก็มีศีลแล้วเนี่ยตอนนี้พวกเราทุกคนมีศีลหมดนะตอนนี้ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้รักทรัพย์ ไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีไม่ได้พูดปดไม่ได้ดื่มสารายามเมาความจริงรักษาศีนี้ง่ายยิ่งกว่าการไม่รักษาศีนสิการจะฆ่าคนนี่มันต้องวางแผนก่อนต้องหาเครื่องไม้เครื่องมือหาอาวุธมาถึงจะฆ่าได้แต่การไม่ฆ่านี่มันง่ายกว่าเยอะแย ะ, ย ะ, ยะนั่งอยู่เฉยๆอย่างนี้ก็ ไม่ฆาไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่ทำบาปอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าลองพิจารณาดูก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยให้ทำนี้ไม่ยากเลยนั่งสมาธิก็ให้นั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรดีกว่าไปทำงานเนี่ยทำงานจะต้องออกแรงยกข้าวยกของ ถ้านั่งโต๊ะก็ต้องใช้ความคิดคิดจนปวดหัวอต่นั่งสมาธินี้ให้หยุดคิดเท่านั้นเองง่า ย, ย่าตายไหม ย, ยนันอยู่ที่คนที่ศึกษาจริงๆรหรือเปล่าถ้าลองศึกษาจริงๆรแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนนี้มันง่ายแต่ที่ทำยากก็เพราะว่าเราไม่เคยทำเท่านั้นเองเราไม่เคยหยุด เรามีแต่ทำอยู่เรื่อยๆจนติดเป็นนิสัยเราติดนิสัยในการทำบาปทำอยู่เรื่อยๆมันก็เลยติดนิสัยมาเราติดนิสัยกับการคิดอยู่เรื่อยๆไม่เคยหยุดคิดกันพอจะมาหยุดคิดกันก็เรารู้สึกว่ามันยากแต่ถ้ามองตามหลักเหตุผลนี่อะไรจะง่ายกว่ากันนั่งเฉยๆกับการที่จะต้องไปทำบาปนี่อันไหนมันง่ายกว่ากันะ แต่ไม่นั่งเฉยๆนี่มันง่ายจะตายไปเนี่ยจะไปทำบาปนี่จะไปขโมยนี่มันต้องไปคอยจ้องคอยดูเวลาโอกาสว่าช่วงไหนเหมาะที่จะได้เข้าไปขโมยเข้าของของเขาแต่เนื่องจากเคยเคยทำบาปมาจนติดเป็นนิสัยมามันเลยรู้สึกว่ายากต่อการที่จะหยุดทำมันเคอยพูดตูดอยู่เป็นนิสัยเนี่ย มันก็ยากเวลาที่จะไม่พูดป่นมันเป็นแค่นี้แหละมันจิตใจของพวกเรานี้มันไปติดอยู่กับการทําบาปติดอยู่กับการคิดอย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นพอจะให้ไม่มาทําบาปพอจะมาให้นั่งเฉยๆให้หยุดคิดมันก็เลยรู้สึกว่ายากมาก แต่ความจริงแล้วอะไรจะง่ายยิ่งกว่าการอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆไม่ต้องคิดไม่ต้องทำอะไรเพราะฉนั้นทุกคนสามารถที่จะทาได้เพราะมันเป็นของง่ายเพียงแต่ต้องฝืนนิสัยที่เคยคิดที่เคยชอบทำบาปนี้เท่านั้นเองเวลาคิดจะทำบาปก็ปหยุดมันอย่าไปทำ นี่การที่จะหยุดมันได้นี้ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่จะหยุดความคิดถ้าไม่มีเครื่องมือจะหยุดความคิดมันก็หยุดไม่ได้เหมือนรถเนี่ยเวลาจะจอดนี่ถ้าไม่มีเบรกมันก็ไม่จอดมันก็วิ่งไปเรื่อยๆมันไม่หยุดวิ่งถ้าอยากจะให้มันหยุดวิ่งนี่ต้องใช้ใช้เบรกต้องเหยียบเบรก ถ้าไม่มีเบรกก็ต้องไปเข้าอู่ไปติดเบรกกันท mm hmm. ันใดพวกเราตอนนี้ก็ไม่มีเบรกกันหยุดไม่ได้เวลาใจคิดจะทำอะไรก็หยุดมันไม่ได้เ mm hmm. พราะเราไม่มีเบรกถ้าเรามาสร้างเบรกนี้ขึ้นมาได้ mm hmm. เราก็จะสามารถหยุดการกระทำต่างๆได้ mm hmm. หยุดการกระทำบาปได้ หยุดคิดได้ทำจิตให้สงบได้แล้วก็สามารถสอนจิตควบคุมจิตให้คิดไปในทางที่ทำให้เร า, เาไม่โลภไม่โกรธไม่หลงได้อยู่ที่การฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราตอนนี้เราไม่เคยฝึกสติกันเราจึงไม่มีเครื่องมือมาคอยควบคุมใจให้หยุดคิด ให้คิดไปในทางที่ชอบที่ดีที่งามชอบคิดไปในทางที่ไม่ชอบไม่ดีไม่งามแล้วก็ไปทำตามความคิดไปพูดตามความคิดแล้วก็เกิดความเสียหายตามมาไปไปทำบาปไปพูดบาปผลก็จะเกิดขึ้นมาทางใจใจก็จะรู้สึกไม่สบายแล้ว ถ้าถูกเขาจับได้ก็อาจจะต้องไปรับโทษถ้าไปทำอะไรที่ทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายก็มีโทษตามมาต้องไปติดคุกติดตารางถ้าเป็นโทษหนักก็ถึงกับประหารชีวิตเกิดจากการที่ไม่สามารถยับยั้งจิตใจไม่ให้ไปพูดไปทำบาปได้เท่านั้นเองเพราะไม่มีสติคอย หยุดใจแต่ถ้ามาฝึกสติมาสร้างสติขึ้นมาแล้วเวลาใจจะไปทำบาปนี้ก็สามารถหยุดได้ยันอยู่ที่ว่าเราจะเอาเวลามาสร้างสติกันหรือไม่มาหยุดความคิดกันได้หรือไม่เท่านั้นเองเพราะการสร้างสตินี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพราะจิตนี้คิดอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจะหยุดจิตได้ก็ต้องต้องหยุดมันทุกเวลาอันนี้แหละเป็นสิ่งที่อาจจะยากยากเพราะว่าไม่มีเวลาเพราะชีวิตของผู้คลองเรือนี้ก็ต้องอาศัยความคิดในการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอาศัยความคิดในการหาความสุข จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาหยุดคิดกันก็เลยรู้สึกว่าการที่จะมาหยุดคิดการที่จะมาสร้างสตินี้เป็นของที่ยากมากยากเพราะว่าเราไม่มีเวลามาสร้างสติกันยากเพราะว่าเราไม่รู้คุณค่าของการสร้างสติ ว่ามีคุณค่ามากมายยิ่งกว่าการที่เราหาสิ่งต่างๆที่เราหากันอยู่นี่สิ่งต่างๆที่เราหากันมาได้นี่ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุขในระดับไหนก็ตามนี่มันสู้ความสุขหรือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราสร้างมาสร้างสติกันไม่ได้มาสร้างสติมาหยุดความคิด ถ้าหยุดความคิดได้ใจเรานี้จะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขที่เราจะได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เรากำลังแสวงหากันอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราเห็นคุณค่าของการฝึกสติเราก็จะยอมอาจจะยอมลงทุนคือเราจะต้องเอาเวลาที่เราเอาไปใช้กับการ หาความสุขในรูปแบบอื่นมาให้กับการมาเจริญสติเพื่อเราจะได้ได้ความสุขในรูปแบบใหม่ในรูปแบบที่ดีกว่าในรูปแบบเก่าที่เรากำลังมีอยู่กันทุกวันนี้เราตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี้เราก็คิดเพื่อหาความสุขกันตอนต้นก็หาความสุขทางร่างกายก่อนต้องหาอาหารให้ร่างกายรับประทาน ต้องไปล้างหน้าแปลงฟันอาบน้ำอาบถ้าชำระร่างกายอันนี้ก็คิดเกี่ยวกับเรื่องของการหาความสุขทางร่างกายพอมีความร่างกายได้รับการดูแลเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็หาความสุขทางใจหาความสุขจากการไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นกันก่อนที่จะไปทา กิจกรรมเหล่านี้ได้ก็ต้องมีปัจจัยมีเงินทองก็ต้องไปทํางานกันไปหาเงินหาทองกันพอมีเงินทองแล้วก็จะได้เอามาซื้อสิ่งต่างๆที่อยากจะได้พอเวลาได้ซื้อสิ่งที่อยากได้ก็มีความสุขกันชีวิตทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับก็เลยติดพันอยู่กับ ก, บการหาความสุขทางร่างกาย ล้วก็หาความสุขจากการทำตามความอยากต่างๆเลยไม่มีเวลาที่จะมาหยุดความคิดได้มาสร้างสติเพื่อหยุดความคิดไดอันนี้ต้องต้องมีโอกาสได้ศึกษาได้ยินได้ฟังเรื่องของประโยชน์ของการที่มาฝึกสติของการที่มานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบ ว่ามีคุณมีประโยชน์มากกว่าความสุขต่างๆที่กำลังหากันอยู่ถ้าได้ยินได้ฟังแล้วเห็นคุณค่าว่าดีกว่าการหาความสุขความสุขการหาความสุขทางการหยุดความคิดนี้ดีกว่าการหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูกเสียงเกล็ดนัดต่างๆก็จะ หาเวลามาทดลองดูกรรมเราก็ไม่ได้ทำงานทุกวันเราก็ไม่ได้เที่ยวทุกวันเราก็มีวันหยุดพักผ่อนอวันก็ลองเอาวันหยุดพักผ่อนนี้มามาฝึกสติกันมาสร้างสติกันมาหัดนั่งสมาธิกันลองทำดูสิว่ามันเป็นอย่างไรเบื้องต้นก็จะต้องไปศึกษา ก่อนบางคนก็ศึกษาเองได้อ่านหนังสือก็เข้าใจเข้าใจวิธีฝึกสติฝึกยังไงวิธีนั่งสมาธินั่งยังไงก็ไม่ต้องไปถามใครความจริงมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากเย็นอะไรง่ายๆการฝึกสติก็คือให้ควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆการจะไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆก็ต้องมีเรื่องอดไรเรื่องหนึ่งให้ใจเกาะติดอยู่ เต้นให้คิดอยู่กับชื่อของพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธถ้าให้เราคิดอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้คนนั้นคนนี้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ท่านี้เองเรื่องของการฝึกสติอยู่ให้อยู่กับเรื่องเดียวอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไป ไม่ว่ากําลังจะทําอะไรก็ตามถ้าทําแล้วยังเผลอไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ต้องใช้พุทโธหยุดนั่นกําลังรับประทานอาหารก็ถ้าไม่อยู่กับการรับประทานอาหารไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็ต้องใช้พุทโธหยุดเรามักจะทําร่างกายทํางานอย่างหนึ่งแต่ใจไปทําอีกอย่างหนึ่งกําลังรับประทานอาหารกันก็อาจจะไปคิดถึงงานที่จะไปทําต่อ หรือธุระที่จะต้องมีหรือจะต้องไปพบปะกับใครหรือเรื่องที่ผ่านมาแล้วมันยังค้างค้างอยู่ในใจก็เอามาคิดอีกนั่นไม่ได้อยู่กับการรับประทานอาหารอย่างเดียวถ้าเราสามารถควบคุมใจให้อยู่กับการทำงานการเคลื่อนไหวของร่างกายเพียงอย่างเดียวได้โดยไม่คิดอะไรเราก็ไม่ต้องใช้พุทโธคอยบังคับให้อยู่กับงานที่ร่างกายกาลังทาอยู่ กำลังเดินก็ให้ใจเฝ้าดูการเดินของร่างกายไปเพียง อ, อย่างเดียวกำลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารกำลังอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้อยู่กับการอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวไปอย่างนี้ก็เป็นวิธีฝึกสติวิธีที่จะควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆให้อยู่กับเรื่องที่ร่างกายกําลังทําอยู่ถ้ามันไม่ยอมอยู่ก็ต้องใช้พุโทโธหนึ่งมา ใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันถ้ายังกำลังอาบน้ำก็ยังไปคิดถึงงานที่จะไปทำคิดถึงคนนั่นคนนี้ก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธหนึ่งกลับมานี่คือวิธีฝึกสติหยุดความคิดถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องต่อไปเราจะมีกำลังหยุดความคิดได้พอคิดพอรู้พอคิดปับ๊บเรารู้ปับ๊บมันก็หยุดปับ๊บ ถ้าควบคุมความคิดได้ขั้นต่อไปเราก็ไปนั่งเฉยๆนั่งหลับตาเพราะว่าการมีสติควบคุมความคิดได้แต่ยังไม่ทําให้จิตมันนิ่งได้เพราะมันบางทีเรายังต้องใช้จิตในการมาควบคุมการทํางานของร่างกายจิตยังต้องคอยสั่งให้ร่างกายเดินสั่งให้ร่างกายทํานู่นทํานี่อยู่ถ้าอยากจะให้จิตหยุดทํางานอย่างเต็มร้อยเต็มที่ จำเป็นจะต้องให้ร่างกายอยู่เฉยๆนั่งนิ่งๆไม่ทําอะไรไม่ขยับตัวเลยปรานั่งสมาธิจริงๆไม่ขยับตัวถึงแม้ว่าจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้คันตรงนั้นชอนตรงนี้ก็ไม่ให้ขยับปล่อยมันไปเพราะถ้าขยับก็เท่ากับเท่ากับเป็นการทํางานของจิตถ้าจิตทํางานมันก็จะไม่มีวันที่จะนิ่งได้ ถ้าอยากจะให้นิ่งเวลานั่งสมาธิแล้วนี้ต้องไม่ไปแตะต้องร่างกายไม่ไปยุ่งกับร่างกายร่างกายจะคันจะเจ็บจะปวดยังไงก็อย่าไปสนใจให้มาควบคุมความคิดมาควบคุมใจอย่าไม่ให้ไปรับรู้เรื่องของร่างกายให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปก็ได้หรือถ้าเคยดูร่างกายเคยเฝ้าดูร่างกาย เวลานั่งก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมบางแห่งเขาสอนว่าต้องหายใจลึกๆอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วิธีฝึกสติวิธีฝึกสตินี้ให้ดูเฉยๆให้ดูว่าตอนนี้ลมเรากำลังเป็นอย่างไรกำลังหายใจเข้ากาลังเข้าหรือกาลังออกสั้นหรือยาว อย่าบืราละเอียดไม่ต้องไปบังคับมันให้ดูเฉยๆเหมือนกับตอนที่เราดูร่างกายเคลื่อนไหวเวลาร่างกายรับประทานอาหารเราก็ดูมันรับประทานอาหารอย่างเดียว<ม>อย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่คือวิธีฝึกสติ<ม>ถ้าฝึกสติได้เวลานั่งสมาธิก็จะนั่งได้นานและจะสงบได้เร็วถ้าสงบแล้วมันจะนั่งได้นานเพราะ มันจะไม่รู้สึกลาคาญกับอาการของทางร่างกายร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จะไม่รู้สึกลาคาญหน้าใจก็จะไม่มีความรู้สึกเกิดอัดไม่มีความรู้สึกอยากจะลุกอยากจะไปทําอะไรต่างๆเพราะเวลาใจนิ่งแล้วมันจะไม่มีความอะไรไม่มีอารมณ์อะไรต่างๆปรากฏขึ้นในใจใจจะว่างใจจะเบาใจจะเย็นใจจะมีความสุข อันนี้ละถ้าได้เข้าถึงจุดนี้แล้วก็จะเห็นคุณค่าของการมาฝึกจิตของเห็นคุณค่าของการมาฝึกสติเห็นคุณค่าของการสละเวลาที่เคยไปทำกับกิจกรรมอะไรต่างๆเมื่อเปรียบเทียบกับผลที่ได้รับจากการม่ทำกิจกรรมต่างๆกับผลที่ได้รับจากการมาทำใจให้สงบแล้วนี่เป็นเหมือนฟ้ากับดิน ผลที่ได้รับจากการทำใจให้สงบนี้มันสุขมากมากกว่าความสุขต่างๆที่ได้จากการไปทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะได้เงินมาร้อยล้านพันล้านได้ตำแหน่งเป็นนายกหรือเป็นอะไรก็ตามมันสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ถ้าลองได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิวัติแม้จะเป็นเพียงแค่ ระยะสั้นๆว่าเวลาสุดปฏิบัติใหม่ๆนี้ผลจะมาเพียงเล็กๆน้อยๆเหมือนกับฝนตกเม็ดสองเม็ดแล้วก็หยุดไปแต่รสชาติของมันนี่มันจะทำให้เกิดความยินดีเกิดความชื่นชมเกิดการผูกพันอยากจะได้สัมผัสกับรสแบบนี้เหมือนกับได้ดูหนังตัวอย่าง ก่อนที่เราจะไปดูหนังจริงนี่บางทีเราต้องดูหนังตัวอย่างก่อนพอเห็นดูหนังตัวอย่างแล้วเห็นว่าเออาทางจะดีชอบก็จะรอร อ, อ, อดูหนังจริง อ, อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราได้สัมผัสกั บ, กบความสงบแม้เป็นเพียงเชื่อแค่งูแวบลิ้นระยะแรกๆนี่เวลาจิตสงบนี่มันจะสงบได้แค่แวับเดียวเพราะกำลังที่จะให้มันอยู่ในความสงบนี้มีน้อยมาก เพียงแต่ให้มันเข้าไปสงบเพียงแว บ, บเดียวทั้งนั้นแล้วมันก็จะถูกดันออกมาตัวที่คอยดันเราตัวที่คอยดันใจให้ออกจากความสงบก็คือกิเลสตัณหานี่ความโลภความอยากต่างๆมันคอยผลักดันให้เราไปหาสิ่งต่างๆทางตาหูจมูกเกลิ้งกายอยู่เรื่อยๆแต่พอเรามาฝึกสติเราก็มาควบคุมความโลภความอยากกดความโลภความอยากไว ถ้ามีกำลังมากสามารถกดมันไปถึงจุดที่สงบได้จิตก็จะนิ่งปั๊บหนึ่งแล้วก็หมดกำลังแล้วความโลภความอยากก็จะดันออกมาใหม่ในช่วงแรกๆจะเป็นอย่างนี้แต่ก็จะให้ผู้ปฏิบัติได้เห็นผลจากการเจริญสติเห็นความสุขที่ได้จากความสงบจะทำให้มีความยินดีขึ้นมา มีความยินดีที่จะเปลี่ยนวิธีการหาความสุขเจากการไปหาความสุขทางราบยศสรเสเสริญก็อาจจะเลิกเปลี่ยนเลิกเลยก็ได้ถ้าลองได้สัมผัสกับความสุขที่ได้จากความสงบแล้วเคยทํางานก็ลาออกจากงานเคยเที่ยวก็เลิกเที่ยวเคยใช้เงินไปชอปปิ้งไปซื้อข้าวซื้อของไปทําอะไรต่างๆก็เลิกใช้หมด เพราะกิจกรรมเหล่านี้มันสู้ความสงบไม่ได้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้นั่นแหละถึงจะได้เป็นเวลาที่จะได้มาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ได้มาฝึกจิตคอยควบคุมความทิดได้อย่างเต็มที่และคอยควบคุมอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับทำทุกวันไม่มีวันหยุดไม่ช้าก็เร็วก็สามารถที่จะ ทำลายความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงรับประกันไว้ในสติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐานสูตรก็เป็นเป็นคู่มือที่สอนให้เราจเจริญสตินี่ถ้าเราจะเจริญพุทโธพุทโธได้หยุดความคิดได้ตลอดเวลาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเจ็ดวันก็บรรลุถึงนิพพานได้เชื่อไหย เวันท่านั้นเองถ้าเราสามารถคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดได้ไม่ทําอะไรทําอย่างนี้อย่างเดียวตั้งแต่ตื่นจนหลับหยุดความคิดหยุดความโลภหยุดความอยากเวลาโลภก็ไม่เอาเวลาอยากก็ไม่เอาเวลาจะคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็ไม่ให้คิดให้อยู่เฉยเฉยให้ว่างทําใจให้ว่างให้รู้เฉยเฉยให้สักแต่ว่ารู้แค่นี้แหละเจ็ดวันก็ทําได้เจ็ดวันก็ถึงพระนิพพานได้ <Yeah. S 2> การที่จะปฏิบัติได้เจ็ดวันก็เพราะว่ามีคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ถ้าไม่มีคําสอนนี้ปฏิบัติไปเจ็ดกลับก็ไม่มีวันที่จะไปถึงได้เพราะไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่พอมีคนรู้จักวิธีปฏิบัติแล้วมาสอนมันก็ง่ายถ้าไม่มีคนรู้ก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงให้จิตนี้อหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ แต่พอมีคนที่รู้จักวิธีมาสอนมันก็เลยง่ายพระพุทธเจ้าเองนี่ยากขนาดชาติสุดท้ายนี่ยังต้องใช้เวลาหปีด้วยกันถึงจะสามารถหยุดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆได้หมดและก่อนที่จะมาถึงชาติสุดท้ายได้นี่ก็ต้องบำเพ็ญ อีกไม่รู้กี่ร้อยชาติพันชาติเนียพระเจ้าสิบชาติพระเจ้าร้อยชาตินี้ก็เป็นชาติต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ได้เกิดมาบำเพ็ญธรรมะขั้นต่างๆระดับต่างๆแล้วมาสำเร็จในชาติสุดท้ายนี่มาสำเร็จในชาติที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะได้ออกบวชได้บำเพ็ญอย่างเต็มที่ระยะหกปี จึงสจึงคนพบวิธีที่จ ะ, ะ ย, ยุติการเวียนว่ายตายเกิดยุติความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้แต่พอมีคนรู้วิธีแล้วเนี่ยมอสอนมันก็เลยง่ายสมัยก่อนนี่วิชาความรู้ต่างๆนี่ต้องอาศัยคนหลายชั่วคนมาเรียนรู้กันมาต่อยอดกัน แต่สมัยนี้เขามารวมกันไว้ในมหาวิทยาลัยเด็ Đ กเรียนสี่ปีก็จบเรียนจบวิศวะจบวิทยาศาสตร์จบอะไรได้แต่วิชาเหล่านี้มันไม่ได้มาจากการมาเรียนแค่สี่ปีวิชาต่างๆเหล่านี้มันเกิดจากการคนตยุคต่างๆค่อยๆเรียนรู้กันมาทีละเล็กทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็มาต่อยอดกั น, นความรู้แต่และความรู้นี้ก็ บางทีก็หาด้วยด้วยความบังเอิญหรือด้วยความพยายามค้นคว้าคิดหากว่าที่จะมาผลิตรถยนต์แบบที่เราผลิตอย่างนี้ได้ต้องใช้เวลากี่สิบปีตอนต้นกว่าจะสร้างรถยนต์ขึ้นมาได้แต่ละคันนี้เหไไปดูประวัติศาสตร์ของรถยนต์ดูหรือไปดูประวัติของเครื่องบินดูว่าเครื่องบินนียกว่าจะมาเป็นเครื่องบินสมัยนี้ได้เนี่ย มันต้องใช้เวลาเรียนรู้คนคว้าวิธีสร้างเครื่องบินนี้มากี่ยุคกี่สมัยกันแต่พอมาตึกถึงยุคของพวกเรานี่เราก็ไปเพียงไปเรียนในโรงเรียนแค่สี่ปีก็สามารถออกมาสร้างเครื่องบินกันได้สร้างรถยนต์กันได้เพราะความรู้ต่างๆได้ถูกมารวบรวมไว้ในที่เดียวกันเ ร, เรียนเรียน๊บเดียวก็สามารถที่จะเอาไปทำประโยชน์ได้ ความรู้เรื่องของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี่ก็เป็นความรู้ที่ได้พระพุทธเจ้าได้สะสมมาในแต่ละภพแต่ละชาติแล้วมาได้ขั้นสุดท้ายตอนที่มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยตอนที่ได้ออกบวชล้วก็ได้มาค้นคว้าขั้นสุดท้ายจนในที่สุดก็พบวิธีที่จะทำให้จิตหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ก็ของคนเพราะว่าต้องมีศีลต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาการจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติการจะมีศีลก็ต้องมีสติคนที่ไม่มีสติก็รักษาศีลไม่ได้คนไม่มีสติคือคนแบบไหนก็คือคนตายคนตายก็ไม่มีสติคนบ้าก็ไม่มีสติคนนอนหลับก็ไม่มีสติคนกินเหล้าเมาก็ไม่มีสติ ก็จะไม่สามารถที่จะมารักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาได้เะฉะนั้นคนที่รักษาศีลไม่ได้ก็ต้องฝึกสติคอยควบคุมความคิดเวลาคิดจะไปทําบาปก็ต้องห้ามต้องเบรกถ้าถ้าคอยห้ามคอยเบรกต่อไปก็จะมีสติต่อไปก็จะไม่ทําบาปแล้วถ้าต้องการให้จิตสงบก็ต้องมาหยุดความคิด ก็ต้องฝึกสติต่อไปต้องคอยควบคุมความคิดด้วยการใช้พุโทโธพุโทโธแล้วด้วยการบังคับให้คอยเฝ้าดูการกระทําการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายทุกิริยาบุตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยอย่าบังคับให้อยู่กับร่างกายคอยเฝ้าดูร่างกายร่างกายกําลังเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวไปกับร่างกายเรื่องว่าร่างกายกําลังทําอะไรก็ทําไปกับร่างกาย อย่าไปทำอย่างอื่นอย่าไปเดินแล้วก็คิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เดินไปกับร่างกายร่างกายกาลังก้าวเท้าซ้ายก็ก้าวเท้าซ้ายไปกับร่างกายก้าวเท้าขวาก็ก้าวเท้าขวาไปกับร่างกายถ้าอยู่กับร่างกายได้อย่างต่อเ น, นื่องก็จะหยุดความคิดได้จะไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แล้วพอมานั่งเฉยๆก็ให้ดูลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกดูไปอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจิตก็จะนิ่งจะสงบพะไม่คิดอะไรพอสงบแล้วจิตก็จะเบาจะสบายมีความสุขตอนนั้นไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องดูลมไม่ต้องควบคุมจิตแล้วเพราะจิตมันนิ่งมันสงบเหมือนคนนอนหลับแล้วไม่ต้องไปคอยเฝ้าเหมือนเราเลี้ยงเด็กนี้เวลาเด็กตื่นนี่เราต้องคอยเฝ้าถ้าไม่คอยเฝ้าเดี๋ยวเด็กไปทาอะไรเสียหาย เดือดร้อนกับตัวเองได้แต่พอเด็กนอนหลับเราก็ไม่ต้องเฝ้าแล้วปล่อยให้เด็กนอนหลับได้จิตเวลาจิตสงบก็เหมือนเหมือนกับเด็กนอนหลับไม่ต้องเฝ้าแล้วจิตจะไม่ไปทําอะไรไม่ไปคิดอะไรไม่ไปสร้างความเสียหายให้กับใจจะไม่ไปโลภไปโกรธไปหลงไปอยากกับอะไรนะตอนนั้นก็เพียงแต่ให้ดูเฉยๆว่าตอนนี้จิตหลับไม่ต้องทาอะไรก็ให้มันหลับไปนานๆให้มันนิ่งไปนานๆให พอมันเป็นความสุขพอมันสงบแล้วถ้ามันเจอความสุขแล้วมันจะไม่อยากจะออกมันอยากจะให้มันสงบไปนานๆนแต่ก็อยู่ได้ระยะหนึ่งเพราะว่าจะต้องมีภารกิจเกี่ยวกับร่างกายเดี๋ยวร่างกายหิวน้ําร่างกายปวดชี่มันก็จะมาคอยกระตุ้นให้จิตออกจากสมาธิก็ต้องออกมาทํากิจทางร่างกาย เวลาออกมาก็มาฝึกสติต่อเหมือนตอนที่ก่อนเข้าไปนั่งสมาธิร่างกายทำอะไรก็ดูมันต่อไปทามาทำกิจของร่างกายทำกิจอะไรที่ต้องทำพอไม่มีกิจอะไรต้องทำก็กลับไปนั่งใหม่ทำจิตให้สงบใหม่ทำอย่างนี้ บ, บ่อยๆต่อไปมันจะไม่ต้องไปทำอะไรเวลาอยากจะมีความสุขก็เข้าไปในสมาธิเมื่อเรามีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปทาอะไร ไม่ต้องใช้เงินทองเราก็ไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องไปหาเงินหาทองไม่ต้องไปมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องมีคนนั้นคนนี้อยู่คนเดียวแสนจะสบายมีความสุขร่างกายก็ไม่ต้องใช้มันถ้ามีความสุขทางใจแล้วไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรปล่อยให้แก่ได้ปล่อยให้เจ็บปล่อยให้ตายได้ พรายังสามารถมีความสุขได้เหมือนไม่มีเหมือนตอนที่ร่างกายแข็งแรงแต่คนที่ยังใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่เวลาร่างกายแก่นี้จะเดือดร้อนเพราะจะไม่สามารถหาความสุขแบบที่ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขได้แต่คนที่มีความสุขจากความสงบนี้ไม่ต้องใช้ร่างกาย อย่างนั้นเขาเลยไม่มีความรู้สึกสะทกสะท้านหรือหวาดกลัวกับความแก่ความเจ็บความตายเพราะเขาไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วไม่ต้องพึ่งร่างกายผู้ที่ยังพึ่งร่างกายอยู่นี้จะเดือดร้อนจะวุ่นวายใจจะเครียดเวลาที่ไม่สามารถใช้ร่างกายได้แล้วแต่พ่อหาความสุขไม่ได้ตอนนั้นก็เลยอยากตาย พอแก่ okay. แล้วที่นี้ก็อยากตายแล้วอยากฆ่าตัวตายเพราะถ้าอยู่ไปมันก็หาความสุขไม่ได้ก็เลยคิดว่าการฆ่าตัวตายนี้จะเป็นการดับความทุกข์ใจมันไม่ดับหรอกเพราะความทุกข์ใจมันเกิดจากความอยากอยากใช้ร่างกายทำนู่นทำนี่ไปฆ่าร่างกายความอยากนี้มันก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากมันอยู่ในใจมันก็ยังผลิตความทุกข์ให้กับใจอยู่เหมือนเดิม เวลาอยากเราไม่ได้มีไม่ได้ทำตามความอยากมันก็ทุกข์ใจถ้าอยากจะฆ่าต้องฆ่าความอยากอยาก่าไปฆ่าร่างกายร่างกายไม่ใช่เป็นตัวปัญหาตัวปัญหาคือความอยากจะฆ่าความอยากก็ต้องหยุดความคิดหยุดความคิดหยุดความอยากต้องสร้างสติขึ้นมาต้องมีสติถ้ามีสติแล้วก็จะหยุดความคิดได้ นี่คือเรื่องของการมาบวชสมัยก่อนเขาบวชเพื่อที่จะมาทำลายความอยากต่างๆทำลายความโลภความโกรธความหลงเพราะเป็นต้นเหตุที่จะพาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดพออยากแล้วมันจะอยากไปเรื่อยๆอยากดูก็ต้องดูอยู่เรื่อยๆพอร่างกายตายไปก็ต้องไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้ดูใหม่เพราะยังมีความอยากดูอยู่ แต่ถ้าหยุดความอยากดูได้หยุดฟังได้ห ย, ยุดใช้ร่างกายได้เวลาไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่สมัยก่อนเขาบวชบวชเพื่อยุติการเกิดแก่เจ็บตายเก anyway ิดการเวียนว่ายตายเกิดเขาเขาบวชแบบถาวร ไม่ได้บวชเพื่อมาทดแทนบุญคุณพ่อแม่อันนี้ก็เป็นเป็นผลพลอยได้การทดแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างพระพุทธเจ้าพอบวชเสร็จก็สามารถทดแทนบุญคุณแม่ได้ด้วยการไปแสดงธรรมบนสวรรค์แม่ตายไปหลายปีแล้วตายไปตั้งแต่อัครลูกออกมาเจ็ดวันแม่ก็ตายไป แล้วพระพุทธเจ้าพอตัดสัุในอายุสามสิบห้าปีก็คิดถึงแม่คิดถึงบุญคุณของแม่ก็ใช้ยานเลงติดต่อกับแม่ซึ่งตอนนั้นไปอยู่บนสวรรค์สามารถติดต่อพูดคุยกันได้เหมือนกับเราพูดคุยกันทางโทรศัพท์เราอยู่ที่นี่แต่แม่อยู่อเมริกาสมัยนี้ไม่ต้องไปหากันด้วยตัวละกดโทรศัพท์มือถือนี่ก็สามารถติดต่อกันได้ถ้ารู้ว่าเบอร์เขาอยู่เบอร์อะไรอยู่ที่ไหน พระอุเจาก็สามารถค้นหาแม่เจอในสวรรค์ก็ติดต่อกับแม่ได้ก็สอนธรรมะให้กับแม่อยู่หนึ่งพันษาด้วยกันพอสอนจบแม่ก็บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในขั้นที่หนึ่งยังเหลืออีกสามขั้นที่สามารถปฏิบัติต่อไปเองได้โดยที่ไม่ต้องมีคนสอน พอได้เป็นโสดาบันแล้วต่อไปจะรู้จักวิธีปฏิบัติเองไม่ต้องมีใครสอนสามารถเดินไปต่อไปได้พอรู้ทางแล้วรู้ทางทางที่จะพาให้สู่การหลุดพ้นนี้ไปไปอย่างไรพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ต้องไปติดตามพอสอนให้แม่ไปถึงเป็นพระโสดาบันได้แม่ก็สามารถที่จะปฏิบัติเองให้ไปเป็นพระอรหันต์ต่อไปได้ อันนี้แหละเป็นการทดแทนบุญคุณซึ่งไม่ใช่เป็นเป้าหมายหลักของการบวชของการบวชสมัยก่อนเพื่อกำจัดการเวียนว่ายตายเกิดกำจัดการความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของนักบวชนี่ที่มาบวชนี้เพื่อมารักษาใจใจเราเหมือนร่างกายร่างกายเวลาไม่สบายเราก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลใจเราถ้าไม่สบายเราก็ต้องมารักษาที่วัดกันมาบวชกัน แต่ส่วนใหญ่เรากลับไม่รู้ว่าใจเราไม่สบายกันเราไม่รู้ว่าความไม่สบายของใจนี้เป็นโรคอย่างหนึ่งเป็นโรคที่เราสามารถรักษาให้หายได้เนื่องจากเราไม่รู้เราก็เลยอยู่กันมาจนเคยชินกับมันเวลามันทุกข์ใจก็ทนไปกับมันทุกไปจนกว่ามันจะหายเองแต่มันหายแบบไม่หายขาดมันหายแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นใหม่เ้วก็ทนอยู่กับมันไป แต่ถ้าเรารู้ว่าความทุกข์ใจของเรานี่เราสามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้าเราไปรักษาด้วยการไปบวชถ้าเราอยากจะรักษาความทุกข์ให้หายไปจากใจให้มันหมดสิ้นไปจากใจเราก็ไปบวชกันสมัยก่อนเขาบวชกันเพราะเขามีความทุกข์ใจทุกพอเห็นทุกพอจะต้องแก่ทุกพอจะต้องเจ็บทุกพอจะต้องตาย เขาไม่อยากจะทุกกับความแก่ความเจ็บความตายไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็เลยต้องไปบวชกันเพราะในยุคที่มีพระพุทธเจ้านั้นเป็นยุคที่เราสามารถที่จะรักษาโลกใจได้ให้หายขาดได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธศาสนานี้เราจะไม่สามารถที่จะรักษาโลกใจของเราให้หายขาดได้รักษาได้ก็เพียงแต่บรรเทามันให้มันน้อยลงเช่น ให้ไปเป็นเทวดาให้ไปเป็นพรหมนั่งสมาธิใจสงบก็มีความสุขความทุกข์ก็หายไปหรือทำบุญทำทานก็ได้เวลาไม่สบายใจไปทำบุญทำทานปล่อยนกปล่อยปลาไปถวายสังฆทานหรือทำประโยชน์ให้กับคนอื่นก็ทำให้เรามีความสุขใจขึ้นมาได้แต่เป็นความสุขใจแบบชั่วคราวเดี๋ยวความทุกข์ก็กลับมาใหม่ ถ้าอยากจะให้ความทุกนี้หายไปโดยเด็ดขาดนี้ต้องบวชเท่านั้นต้องบวชแล้วก็ปฏิบัติเจริญสติสมาธิปัญญาเพื่อกําจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจพอไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากแล้วใจจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนี่คือเรื่องของการบวชในสมัยพุทธกาลบวชเพื่อรักษาใจให้พ้นจากความทุกข์ให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ส่วนอันนี้ผลประโยชน์ผลพลอยได้ก็คือสามารถที่จะไปช่วยเหลือบิดามารดาปุย่าตายายญาสนิทมิสหายได้เพราะเรารู้จักกับเขาก็คุยกับเขาได้สอนเขาได้บอกเขาได้ถ้าเขาสนใจก็สอนเขาบอกเขาเขาจะเชื่อเราเพราะเขารู้จักเราเขารู้ว่าเราไม่หลอกเขาเราพูดอะไรเขาก็ฟังนะถ้าเขาลองเอาไปปฏิบัติเขาก็จะได้รับผล เพราะการปฏิบัตินี่เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลไม่ว่าจะใครจะปฏิบัติถ้าปฏิบัติถูกแล้วก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันทุกคนเนี mm ่ย hmm. พระพุทธเจ้าก็เลยได้ช่วยญาติพี่น้องกันไปแสดงธรรมในวังแสดงเสร็จก็มีพี่น้องห้าคนเจ้าชายห้าคนขอขอบวชขอบวชตามลูกชายก็มาขอมรดกก็จับไปบวชเป็นเนร พอเวลาใกล้าตายเจ็ดวันก่อนตายพระพุทธเจ้า ก, ก็ไปสอนให้บรรลุให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไดอันนี้เป็นผลพลอยได้ผู้ที่บวชจะทำประโยชน์ให้กับญาติพี่น้องได้มากกว่าผู้อื่นเพราะเป็นคนที่รู้จักการใกล้ชิดสนิทสนมกันพูดคุยกันได้อย่างส ะ, สะดวกสบายอันนี้แต่เป้าหมายหลักของการบวชนั้น บวชเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ก่อนเมื่อตอนได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วทีนี้ก็มีเวลาว่างแล้วไม่ต้องไม่มีหน้าที่ไม่มีอะไรต้องทำนะทีนี้ก็เอาเวลาว่างนี้มาช่วยคนอื่นพระพุทธเจ้าใช้เวลาอีกสี่สิบห้าปีหลังจากที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วนี่มาช่วยคนอื่นช่วยทุกวันพุทธกิจนี่มีอยู่ห้าประการด้วยกัน กิจที่พระพุทธเจ้าทําเป็นประจําวันทุกวันนี้เรียกว่าพุทธกิจมีอยู่ห้าข้อเป็นกิจที่ช่วยเหลือคนอื่นทั้งนั้นตอนบ่ายก็สอนญาบโยมตอนค่ำก็สอนพระภิกษุสา ม, มเณรภิกษุณีตอนดึกก็สอนเทวดาตอนเช้าก่อนจะออกบินทบาทก็เรงยานดูว่าวันนี้จะไปสอนไปช่วยใครเป็นกรณีพิเศษแล้วก็กิจข้อที่ห้าก็ไปโปรดสัตว์ไปบินทบาทให้สัตว์ได้ ให้ผู้ที่ยังปฏิบัติไม่ได้ได้ทําบุญทําทานไปก่อนนี่กิจของผู้ที่ได้บรรลุธรรมได้หลุดพ้นแล้วนี้ท่านไม่ได้ทํากิจอะไรเพื่อตนเองเลยทํากิจเพื่อผู้อื่นให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ได้รับความสุขได้หลุดพ้นจากความทุกข์นี่แหละคือผลของการที่ได้บวชขั้นต้นก็ประโยชน์ของตนก่อนขั้นที่สองก็ประโยชน์ของผู้อื่นคําสอน ครั้งสุดท้ายก่อนที่พุทธเจ้าจะจะจากไปท่านก็ทรงเตือนพวกเราว่าสังขารทั้งหลายเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนร่างกายเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจงยังประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้พร้อมให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถอดให้เรานี่คืองานที่เราควรจะทํากันคือทําประโยชน์ให้กับใจเราก่อนมาฝึกหัดหลบลมจิตใจกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจ แล้วเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราจะได้ทําประโยชน์ของตนได้อย่างเต็มที่พอได้ประโยชน์ของตนแล้วก็ค่อยไปทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อหนึ่งถ้าใครสนใจอยากจะรู้ก็สอนเขาบอกเขาแต่จะไม่ไปสอนคนที่ไม่สนใจก่อนที่ไม่สนใจพูดไปก็เสียเวลาเราใหา้ต้องรู้ว่าเขาสนใจถึงจะพูดได้ถึงจะสอนได้แต่เขาไม่สนใจก็ไม่พูดไม่สอนเพราะเหมือนกับคนที่ ขู่หนวกเนี่ยพูดไปยังไงเขาก็ไม่ดีถ้าเขาไม่สนใจนี้เกิดเรื่องของการบวชในสมัยพระพุทธการบวชเพื่อกําจัดความทุกข์ยุติการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อสําเร็จประโยชน์นี้แล้วก็ทําประโยชน์ให้แก่ผู้สอนให้ผู้ได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากกองทุกข์กันพระพุทธเจ้าจึงมีภาษาวกมากมีจนมาถึงปัจจุบันนี้ มีผู้ที่สนใจศึกษาและปฏิบัติตามแล้วก็ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้นี้มากันอย่างต่อเ น, นื่องมาจนถึงยุคปัจจุบันของพวกเราถ้ายังมีการบวชมีการปฏิบัติมีการหลุดพ้นอยู่พระพุทธศาสนาก็ยังจะมีอยู่ต่อไปเรื่อยๆก็คิดว่าพอสมควรแก่เวล า, าจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิต e ุทินังเปตานังอุปกาปติอิตชีตังปัตชิต um ังตุมหังคิดเปเมวะสมิจจโตสะเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยะถามานิโชติ พราโสยทาสปิโยวิวาชนตุสัพพโรโววินัสตุมาเตภวะตวันตารายสุขีทีขาโยโกภวะอภพิวาธนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจัตารโอธรรมาวัานติอายุวันโอสุขัง พลาาวันนี้ทางบ้านเข้ามาเท่าไหรวนน่วันนี้ทางวันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามา477คน YouTube 132คนวิทยุออนไลน์31คนรับฟังบนข่าว23คนรวมทั้งสิ้น663คนครับต้อง6กน <laughs> <ม>ิทานูุมาจากบริรัมด้วยว่า พา่ า, า, าท่านมาทำไมนะท่าท่านบวชอยากจะมาฝากพระอาจารย์ท่านบวชนานนี่ยังท่านบนานอก<อ>ท่านรู้จักภาษาไทยภาษาเท่าไหร่เนี่ยาษาเท่าไหร่แล้วนะแ<อ>น่ใจตามที่งนี่นจะสามสิบเดี๋ยวไม่รู้ใครแก่กว่าใครไม่รู้แกรกาบใครกาบใครนะ <c oughs> เดี๋ยวคนแก่กว่ากาบคนหนุ่มกว่าเนะี ต้องถามกันก่อนถ้าไม่รู้จักภาษากันต้องถามกันก่อนไปถามดูว่าปู่บวชได้กี่รษาบวชทศนัยเคยบวชมาก่อนมาก่อนนะครับผมเคยบวชมาก่อนเลยมันมีรร้ายก็ถูกถอยไปครับผมตัวนี้ไปฉันข้างไม่ได้เลยปันต้นลม้ยันครับผมเอาไม้ปู่ดมมี ยามภาษาอยู่ปุณิธรรมเต่าด้วยฮะอาพง่งนี้ทําเต่าตอนนั้นยังไม่ต่อยวัวได้ยีภาษาครั้งแรกครั้งแรกก็ไม่มาไม่มาจะมาบทครั้งก่อนที่มุกุลนะก็พอได้นานหลายครั้งสาปีก่อนสามครั้งแล้วเหรอครับวัวสามครั้งนะไม่ใช่สามนะครับครั้งสี่ก่อนในสามครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สี่ครั้งที่สี่นะเสื่ไม่ไหว ม, มันเกิด ก, ก็เกิดได้แตตอน้ผมต้องการสงคัญอยู่คือไฟถวายกับยันเย็นนะครับผมยันเยนไปป่าไปชาติอ็ยันเย็นไม่ต่ออย่างแต่เริ่มอาการนะครับผมอาการเริ่มอันนี้ก็เริ่มเป็นเองละก็ก็ยังไม่หายดีครับผมยังไงจะเสร็จอีกเ ก็ก็คงยังไงก็คงเสียแล้วครับผมเสละแม่แล้วเนะยอมตายแล้วยอมตายแล้วครับผมพอ่าตัดมาายครังแม่อเออดีย่ยอมตายแล้วลเดี๋ยวก็ถึงนิพพานอย่างไงหลวงปู่ขา บ, บอกว่านิพพานอยู่ภาคตายครับอ่าถ้ายอมตายแล้วมันก็ปล่อยกิเลสความอยากความอยากอยู่มันทําให้เรากลัวตายไง พอเรายอมตายปั๊บความอยากอยู่มันก็ถูกทําลายไปกิเลสคือภาวะตันหาก็ถูกทําลายไปวิภาะวะตันหาก็ถูกทําลายไปก็อย่างน้อยก็ได้โสดาบันเนี่ยถ้ายอมตายเ อ, เอยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายละสัต ก, กายะทิฐิได้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราขันห้าไม่ใช่ตัวเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณ เ, เป็นสภาวะธรรม ร่างกายก็ทำมาจากดินน้านมไฟไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้ตายไปก็กลับไปสู่ดินน้านมไฟใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็หลุดพ้นถ้าปล่อยถ้าเข้าใจถ้ารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราก็จะไม่ทุกข์กับมันนะแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนล่ะตัวนี้ไปสร้างที่อยู่เองที่เาขาประมิษฐ์ครับ เลยาั่นเมืองตำไปประมาณสี่กิโลครับจังหวัดอะไรนะจังหวัดบุรีรัมบุรีรัมเยบุรีบุรีบุรีบุรีบุรีบุรีบุรีบีบุรีบุรบุรนบุรีบุราบุรงบุรีอุรีบุรีบุรีบุรีบุรีบุรารีบุรีบีบุรีบุรีบุรีบุคีอุรีบุรีาุรีอุรีบุรีบรีบุรีบุรีบุรีบุรีบุรีบุรีบุรีบีบุรีบุรีบุรีบุรีบุรีรีบุรีบุรีบี เราต้องสู้ไปนะทำใจให้สงบพิจารณาปัญญาบ่อยๆพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราสักแต่ว่าดินน้ําำําไฟอปล่อยวางถ้าปล่อยแล้วมันจะไม่ทุกข์ถ้ายึดติดมันจะทุกข์มากถ้าอยากให้มันไม่ตายนี่มันจะทําให้ทุกข์มากถ้ายอมจนอนมาําน้นว่าสู้มันไม่ได้มันใหญ่กว่าเราะ ให้มันไปดินน้ําลมไฟไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้ตายไปกับมันใจไม่แก่แม่ครัวอาจารไม่จิตวิญญาณเยอะส่วนทั้งปาิ่าำก็เป็นส่วนตัวครับขอแม่ครัวจานก็คงไม่มีเวลาแล้วส่วนตัวก็ส่วนตัวตอนนี้แหละวิญญาณโยมไปเยอะก็เป็นลายละธรรมะมันก็ธรรมะเหมือนกันนั้นแหละอ่ากินไรก็ต้องกิ ยอมรับคือยอมรับครับผมมันก็เราไม่มีเวลาทาไงนะเวลามันจบกัดเนี่ยเอาหน้าไปฉันก็นแล้วกันถ้าไม่มีอะไรก็ตามมัธยศัยนะนิมนต์ตามมัธาายศัยเดีย๋ยวเราจะต้องทาหน้าที่ต่อจะนั่งก็ได้จะไปก็ได้ก็ครับามสะดวกก็คงเวลาแค่ตรงกับอ่าเานกับนกน ขออภัยด้วยนะที่ไม่มีเวลาที่จะให้ส่วนตัวมเพราะไม่เคยมาอังการส์ไปถามอาจารย์ยืนก็ได้หรือใกล้ๆกันก็เคยอยู่คุ้มคุมกันก็าจารย์คุยทาจารพลก็ไม่ควรอาจารย์บนมีก็ได้ละบุญ ในกอกล่าวว่าพระอาจารย์อุลาชเพิ่งเสียนี่ใช่ไหมเสียเมื่อสองวันก่อนเมื่อวานเมื่อววันก่อนเอวันที่หนึ่งสองวันก่อนเอมีคนมาบอกเมื่อวานนี้บอกว่าตอนที่เสร็จดส์ประมาณสี่โมงสามมกว่าสี่โมงเราต้องไปกันทุกคน่ะไม่ว่าเขาไม่ว่าเราเตรีมตัวรับรางวัลกัน ที่ว่าเป็นการรับรางวัลดีป่ะจะได้ยินดีควา ม, มตายจริงๆมันก็เป็นแค่นอนหลับเท่านั้นแหละไปเปลี่ยนร่างกายใหม่ถ้ายังต้องเกิดใหม่อยู่ก็นอนหลับไปช่ว์นอนหลับก็ฝันดีฝันร้ายไปถ้าบุญพาไปก็ฝันดีถ้าบาป พ, พาไปก็ฝันร้ายพอได้ร่างกายใหม่ก็ตื่นขึ้นมาใหม่ก็มีเท่านั้นแนหะจิตเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันก็ไปเปลี่ยนร่างกาย โอกาสก็ไม่คุยจากาตุอจาดูจาดช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาใครมีคำถามสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องธรรมะก็ถามได้ถ้ายังไม่มีจะให้ทางบ้านถามก่อนทางบ้านนี้จะมีคำถามเข้ามาทุกวันอายสบายรี่ามยัง ไอซ์เบอรี่ยังครับไอซ์เบอรี่กับพิมพรเนี่มีควครับมี ป, อปมออวอ ม, มแปม จ, จาก o u t u b e นี่ยเอาเลยครับคำถามแรกจากทางไลน์ครับจากคุณบุญทิ่ตาครับขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายเรื่องการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นสำหรับผู้ที่ต้องการพ้นทุกข์ด้วยเจ้าค่ะก็เบียดเบียนก็ทำร้ายตัวเองการเบียดเบียนก็ทำโทษตัวเอง การกระทําที่เป็นโทษกับตัวเอ ง, งเช่นดืม่มโซรานี่มันก็เป็นโทษกับตัเองแล้วก็เป็นโทษกับผู้อื่นด้วยไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเะฉะนั้นการกระทํำบาปนี่มันเป็นการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นพอเวลาทํำบาปใจก็ทุกข์ใจก็ร้อนใจก็ไม่สบายขึ้นมาอันนี้ก็เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไปทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนไปทำํำลายชีวิตเขาไปลักทรัพย์ของเขา ไปประพฤติผิดประเวณีเนี่ยมันก็เป็นการเบียดเบียนทั้งตนและพูดอย่างถ้าไม่อยากจะเบียดเบียนก็ให้นักษาศีลห้าไว้ให้ดีคำถามต่อไปจากคุณ PR อาครับอยากเข้าใจเรื่องสติปัฏฐานสี่ค่ะเข้าใจว่าเป็นสิ่งสําคัญมากในการทํากรรมฐานปฏิบัติตามสติปัฏฐานสี่ต้องฝึกอย่างไรคะไม่ทราบว่าพระอาจารย์เคยมีพูดถึงเรื่องนี้หรือเปล่าคะ ก็สติปัฏฐานสี่นี้เป็นพระสูตรที่สอนวิธีเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิเมื่อได้สมาธิแล้วก็สอนให้เจริญปัญญาเพื่อจะได้ละสิ่งที่จิตไปติดพันอยู่คือร่างกายเวทนาและก็จิตท่านนี้แหละเป็นเป็นสูตรเป็นพระสูตรที่สอนการเจริญสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาโดยการ เริสติเป็นจุดเริ่มต้นเพราะถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิจิตก็ไม่สงบถ้าจิตไม่สงบจะไปใช้ปัญญาเพื่อปล่อยวางร่างกายก็ปล่อยไม่ได้อย่างเมื่อกี้สอนญาติโยมว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราแต่ปล่อยได้หมวางไม่ได้เพราะไม่มีไม่มีสมาธิไม่มีสติที่จะที่จะหยุดตัวที่ไปยึดติดแต่ถ้ามีสมาธิมีสติมันจะถอนตัวยึดติดออกมาจะแยก จิตออกจากร่างกายได้ยังนั้นขั้นตอนก็ต้องฝึกสติก่อนเมื่อฝึกสติแล้วพอมีสตินั่งสมาธิได้ก็แสดงว่าแยากใจออกจากร่างกายได้แยกใจออกจากเวทนาได้แยกใจออกจากจิตได้พอแยกได้ทิงตานก็มาสอนใจว่าทําไมต้องแยกเพราะร่างกายมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงไม่ติดกับมันเวลามันดีก็ดีแต่เวลามันไม่ดีมันจะทําให้เราทุกข์ไปกับมัน เวทนาก็มีท er ั้งสุขมีทั้งไม่สุขไม่ทุกข์มีทั้งทุกข์เนี่ยถ้าไปติดกับมันเดี๋ยวก็ต้องไปเจอนอกจากสุขแล้วมันต้องเจอทุกข์ด้วยถ้าไม่อยากจะเจอทุกข์ก็อย่าไปติดกับมันจิตก็เหมือนกันจิตก็ยังเป็นอารมณ์จนจิตที่ยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่สามวันดีสี่วันไข้บางวันก็อารมณ์ดีบางวันก็อารมณ์ไม่ดีบางวันก็สดชื่นเบิกบานบางวันก็ซึมเศร้าอะไรต่างๆอันนี้ก็จิตธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนี้ ถ้ามีปัญญามีสติก็สามารถที่จะแยกใจไม่ให้ไปยึดติดกับมันจิตจะเป็นยังไงก็ให้รู้เฉยๆมันจะดีใจมันจะสดชื่นก็รู้วันนี้สดชื่นเดี๋ยวมันจะซึมเศร้าเศร้าหมองก็รู้ว่ามันเศร้าหมองเพราะจิตมันไปรับสัมผัสกับอาการต่างๆแล้วมาทำให้มันบูงแต่งให้มันเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมา วันไหนถูกกอตเตอรี่อย่างเมื่อวานเนี่ยอาติโยมแทงหวยถูกกันมืช้าที่ใส่บาทยิ้มกันใหญ่จิตมีอารมณ์ดีเออแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดไปเจอเหตุการณ์ไม่ดีก็หน้าตาหน้าบึ้งกันแต่ถ้าเราไม่ไปสนใจมันให้รู้เฉยๆเราก็จะไม่เดือดร้อนมันจะสดชื่นก็เรื่องของมันมันจะซึมเศร้าก็เรื่องของมันเช่นเดียวกับเวทนาความรู้สึกที่มากระทบกับร่างกาย บางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์บางทีไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ตามความเป็นจริงอย่าไปยุ่งกับมันถ้ายุ่งแล้วจะทิ้งทําให้ใจวุ่นวายใจเครียดขึ้นมาเราดับความเครียดของใจด้วยการปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาปล่อยวางจิตเท่านั้นเองความเครียดก็คือความทุกข์ใจเราดูหรือว่าเราข่มหรือว่าเราดูเฉยเฉยเจ้าค่ะ อย่างเช่นว่าสมมติว่าเราดีใจสมมติถูกไว้ดีใจเราดูรู้ว่าเราดีใจหรือว่าเราดูแล้วก็คิดว่ามันก็อย่างนี้แหละอย่าไปตื่นเต้นอะไรกัมันมากแล้วก็ข่มไว้อไม่ไว้ก็ต้องรู้เฉยๆเนี่ยรู้แบบสองรู้แบบข่มถ้ารู้แบบข่มก็ยังไม่รู้จริงถ้ารู้แบบรู้จริงไม่ต้องข่มมันจะเฉยของมันเองอจะรู้ว่ามันก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรดีกว่าความสงบหรอก ได้อะไรมาเท่าไหรก็สู้ความสงบไม่ได้เสียอะไรไปก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะความสงบเราไม่เสียไปกับมันถ้าเราอยู่ถ้าเรารูว่าอะไรเป็นของแท้ของจริงเราก็อยู่กับของแท้ของจริงไปของอย่างอื่นถ้ามีเกิดมันต้องมีดับถ้ามีเจริญมันจะต้องมีเสื่อมนี่คือปัญญามันจะเห็นแบบนี้เรามันจะเห็นอะไรมันก็จะไม่ตื่นเต้นกับสิ่งที่มันมาสัมผัสรับรู้มันก็จะเห็นเฉยๆได้ยินเฉยๆรู้เฉยๆไปถ้ามีปัญญา แล้วรู้ว่ามันเป็นใจลับสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นใจลับเกิดดับไม่เที่ยงอนัตตาควบคุมบังคับสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันเที่ยงไม่ได้สั่งให้มันสุขอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์มันสลับกันไปดังอยากไปอยากถ้าอยากเราทุกข์ปล่อยมันไปมันจะสุขก็สุขมันจะทุกข์ก็ทุกข์ใจก็จะไม่เครียดใจก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งที่ใจไปสัมผัสรับรู้คือร่างกายเวทนาและจิตเนี่ย ที่เป็นใจเป็นสิ่งที่ใจไปติดพันอยู่เราไปทุกข์กับมันเพราะว่าเวลามันไม่เที่ยงขึ้นมาก็ทุกข์เท่า น, นั้นเองพอเข้าใจแล้วก็จะไม่ไปยุ่งกับมันปล่อยมันไปตามเรื่องของามันใจอยู่กับสัตว์แต่ว่ารู้อยู่กับอุเบกขาอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบก็พอละข้อต่อไปคำถามต่อไปจากคุณวรานันท์ครับ พรุ่งนี้จะมีการเทรทองหล่อพระพุทธรูปจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้ได้บุญเต็มเมื่ออยู่ในบริเวณวัดที่มีการเทรทองหล่อพระพุทธรูปครับก็นั่งพุโทโธไปนั่งทำใจให้สงบ้าไม่ต้องทำอะไรเราก็นั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธไปทำใจให้สงบคำถามต่อไปจากทาง a c e b o o k live ครับจากคุณการ์จรครับทำไมเห็นตายรัดแล้วมันทุกข์ว่าเรามาทำอะไรอยู่นี่ จิตมีความดิ้นจะหนีรู้สึกไม่มีความอยากใช้ชีวิตทำงานทั้งวันอยากจะปฏิบัติแต่เพื่อที่จะพ้นออกไปเพราะรู้ว่าทำมันไปก็พังหมดทำไปเหนื่อยเปล่าทำแล้วก็ทำอีกทำเพื่อทำไปอย่างนั้นเองซึ่งสังเกตตัวเองมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ด้วยภาระหน้าที่ยังคงต้องทำมันเป็นความบีบคั้นซึ่งเป็นทุกข์ทำอย่างไรต่อไปดีครับ ก็ไม่เ <watering>, ห็นไม่เห็นภาระหน้าที่ว่าเป็นไตลักษเนี่ยว่ามันภาระหน้าที่ใครเป็นคนว่าเป็นภาระหน้าที่เราไปว่ามันเองไม่ใช่หรเราก็อย่าไปถือว่าเป็นภาระหน้าที่ก็แล้วไปนี่อยู่ที่ว่าเรามองมันว่าเป็นภาระหรือไม่เป็นภาระถ้าเรามองด้วยปัญญาเราก็มองว่ามันไม่เป็นภาระหรอกทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามวาระของมันทุกอย่างมันก็มีเกิดมีดับ เราจะไปทําภาระนี้ไม่ทําภาระนี้ถึงเวลามันก็ดับเหมือนกันเอ็งเราต้องเลี้ยงดูคนนี้เราเลี้ยงไม่เลี้ยงมันเขาก็ต้องตายอยู่ดีเลียงแต่ว่าตายช้าตายเร็วนะู่นถ้าเกิดเราตายวันนี้แล้วใครจะมาทาภาระนี้ล่ะเั้นถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็ไปบวชได้แต่ถ้ายังไม่ถ้ายังคิดว่าเป็นภาระอยู่มันก็เป็นมันก็บวชไม่ได้มันยังมองไม่เห็นด้วยปัญญาว่ามันไม่ใช่ภาระเราไปตั้งภาระขึ้นมาเอง ความจริงไมันไม่มีภาระหรอกภาระที่แท้จริงก็คือเนี่ยมาปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นอันนี้แหละภาระของเราไอภาระเลี้ยงดูคนอื่นนี่ก็ทําไปตามโอกาสทํถาถ้ามีโอกาสมีเวลาทําได้ก็ทําไปไม่มีโอกาสไม่มีเวลาก็ตัวใครตัวมันหรอวะอัตตาหิอัตาโนนาโธคําถามต่อไปจากเด็กชายเดียครับขออนุญาตถามพระอาจารย์ครับเวลามีคนมาแอบชอบเรา แล้วเราคิดอยากจะเป็นแฟนทีนี้เวลาเราจะนั่งสมาธิอย่างที่เคยทำมาผลปรากฏคือความสงบที่เคยได้นิดหน่อยพอให้ได้รู้นี่คือความสงบกลับไม่ได้เท่าที่ควรเลยใจบางเบาไม่หนาแน่นมั่นคงเหมือนแต่ก่อนแล้วทำไมความคิดนี้รู้สึกว่ากระทบกระเทือนความปรารถนานิพพานของเราด้วยมีวิธีแก้ไขยอย่างไรบ้างครับพระอาจารย์ ก็ต้องคิดถึงอสุภะของคนที่เราที่มาแอบรักเราเนี่ยคิดถึงส่วนที่ไม่น่าดูของร่างกายของอย่าไปดูแต่ส่วนที่น่าดูอย่าไปดูอยู่ที่หน้าตามองไปยังภายใต้ผิวหนังของหน้าตาก็ได้ว่าภายใต้ผิวหนังของหน้าตามีอะไรก็มีกระโหลกศรีรษะดูโครงกระดูกของเขาบ้างก็ได้ดูปอดดูตับดูไตดูลำไส้อะไรทํานองนี้ถ้าเห็น ภาพที่ไม่สวยงามของเขาก็อาจจะทำให้ไม่ไม่ไม่รักเขาแล้วไม่ยินดีไม่คิดถึงเขาพอไม่คิดถึงเขาใจก็จะมาสงบได้เหมือนเดิมที่มันไม่สงบเพราะใจมันไปคิดถึงเขาอยู่เลยนั่งพุโทโธได้สองคำก็ไปนึกถึงภาพของเขานึกถึงหน้าตาของเขามันก็ไม่มีวันที่จะสงบได้จะทาให้สงบก็ต้องตัดไอ้ตัวตัวความยินดีกับภาพที่สวยงามของเขา ด้วยการนึกถึงภาพที่ไม่สวยงามของเขาคำถามต่อไปจากคุณนัยุทธ์ครับเด็กในโลกปัจจุบันติดเกมอย่างหนักพ่อแม่ไม่มีวิธีเป็นห่วงสอนแต่แกยังติดอยู่ขอเมตตารับคำแนะนำคำสั่งสอนทางอ้อมให้แกเข้าใจความจริงด้วยครับก็ใครแหละเป็นคนซื้อเครื่องเล่นเกมให้ลูกน้องแ่แค่นี้เองก็อยากไปซื้อมันสิแค่สมัยก่อนไม่มีเครื่องเล่นเกมว่ามันมีปัญหากัน รักลูกผิดทางรักแล้วรักแล้วทำให้ลูกเสียต้องให้ของที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่ให้ของที่เป็นโทษมันก็มันก็เกิดโทษขึ้นมามันให้มีดอย่างเงี้ยเราจะให้มีดกับลู ก, กป่ะไม่อยากให้มีดกับลูกเดี๋ยวเกิดให้มีดให้ปืนกับลูกเดี๋ยวเกิดมอารมณ์เสียขึ้นมาอารมณ์ไม่ดีมันก็เอามาฆ่าตัวตายได้อันใดของที่เราให้เขาเราต้องรู้จักให้เราเป็นคนเลี้ยงเขา เราเป็นเลี้ยงผิดเองเราจะไปโทษใครคำถามต่อไปจะทาง YouTube ครับจากคุณป๋อมแปมครับหากญาติของเราเขาชอบมาเบียดเบียนทรัพย์สินเราตลอดและเราจำเป็นต้องสละให้เขาทั้งทั้งที่เราไม่เต็มใจถ้าไม่ให้ก็จะมีเรื่องทะเลาะ ก, กันเราจะทำอย่างไรดีให้วางเฉยได้และไม่เป็นทุกข์เจ้าคะก็คิดว่าไม่ใช่เนของเราแล้วกันเป็นของเขาฝากเราไว้เขามาขอคืนไป ถ้าตก่อนเราเคยอาจจะไปยืมเข้ามาชาติ น, นี้เขาเลยเริ่มหอมมาขอคื น, น, นคำถามต่อไปจะคุณเบนเน่ครับคุณพ่อมีความเห็นที่ไม่ถูกและมีความคิดลบที่ไม่เกิดประโยชน์ควรทําอย่างไรคะก็ถ า, ถามเขาว่าเขาอยากจะฟังความคิดบวกไหมนะถ้าก็อยากก็เอาธรรมะของพระเจ้าไปให้เขาอ่านให้เขา ฟังแต่ถ้าเขาไม่อยากก็ทำอะไรเขาไม่ได้ต้องอยู่ที่ตัวเขาว่าเขาสนใจที่จะเปลี่ยนความคิดของเขาหรือไม่เรายิ่งเป็นผู้น้อยกว่าไปสอนพ่อสอนแม่ไม่ได้นอกจากว่าเขามาถามเราขอความช่วยเหลือจากเราเราก็ถึงจะช่วยเหลือเขาได้คาถามต่อไปจากคุณวิษณ์สังครับถ้าเราฝากเขาใส่บาตรตอนเช้าเราจะได้บุญไหมครับได้ถ้าเป็นเงินของเรา เราได้เต็มที่เหมือนกับเราใส่เองขาดตรงที่เราไม่ได้ใส่เองเท่านั้นเองขาดความเพียรขาดเวลาที่เราเสียสละให้กับการใส่บาตรเพราะเราจะต้องไปทําภารกิจอย่างอื่นเราก็เลยมอบอันนี้ให้กับผู้อื่เขาก็จะได้ส่วนนี้ไปคนที่เขาใส่บาตรแทนเราก็าจะได้บุญจากการที่ได้รับใช้เราได้ทําหน้าที่แทนเราแต่เขาไม่ได้บุญจากการเอาของใส่บาตรเพราะของนั้นไม่ใช่เป็นของเขาคําถามต่อไปจากคุณอย่าลืมเชะ่ะ จะคู่ไม่ประสงค์ออกนามครับการที่เราทำบุญสร้างกุศลและตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานอะไรสักอย่างเดิมทุกวันมันจะสาลิ์ผลสักวันใช่ไหมคะจะจริงไหมคะไม่จริงหรอกการการขออะไรนี่ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าการขอมันไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาเหตุที่จะทำให้เกิดผลก็คือการกระทำ งั้นเราก็ทําอะไรเราก็จะได้ผลอย่างที่ท่านสอนทําดีก็จะได้ดีขอให้ได้ดีขอไปจมันตายก็ไม่ได้ดีแต่ถ้าขอแล้วทาด้วยมันก็มันก็ได้จะขอไม่ขอก็ได้ขอให้ทําก็แล้วกันผลเหตุมันไม่ได้อยู่ที่การขอเหตุมันอยู่ที่การกระทํำงั้นทํนาบุญนี้ไม่ต้องขอก็ได้ถ้าทําบุญแล้วมันก็มีผลของมันอแต่จะขอให้ได้มากกว่าผลที่มันจากเหตุงั้นก็ไม่ได้นะ มันต้องเป็นไปตามเหตุตามผลคำถามต่อไปจากคุณศักดิ์ครับขอให้พระอาจารย์เมตตาอธิบายเรื่องปฏิจจสมุตตบาทครับปฏิจจสมุตตบาทก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับการทํางานของจิตเราจิตของเรานี้ทํางานเริ่มต้นด้วยอวิชชาเพราะว่าจิตมีอวิชชาเป็นผู้ปกครองเป็นเหมือนกับเป็นผู้คุมจิตเป็นผู้สั่งจิต อวิชชาคือผู้ไม่รู้ความจริงว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอวิชชาก็เลยคิดว่าความสุขอยู่ที่ตาหูอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสก็เลยสั่งให้จิตปรุงแต่งไปหารูปเสียงกลิ่นรสตอนนั้นสั่งให้สังขารปรุงสังขารปรุงเสร็จก็ส่งไปให้วิญญาณวิญญาณก็ส่งไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายก็ไปหารูปเสียงกลิ่นรสพอเกิดสัมผัสกัน ตาสัมผัสกับรูปก็เกิดเวทนาความรู้สึกรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ขึ้นมาพอเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาทุกข์ก็อยากจะให้มันหายไปสุขก็อยากจะได้มาพอเกิดตัณหามันก็เกิดอุปทานความยึดติดกับความความสิ kind of Anyways, ่งท mm ี่อยากได้มาไปพอมีอุปทานก็จะทําให้เกิดมีภาวะใหม่คือมีภพใหม่เวลาร่างกายตายไป ความอยากยังไม่หมดอุปทานยังไม่หมดมันก็พาให้เราไปเกิดใหม่ไปมีร่างกายใหม่ไปเกิดแก่เจ็บตายใหม่ทำงานนี้ไปทุกเป็นรอบๆไปแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเราก็จะมาแก้เอาวิชาให้เป็นวิชาคือธรรมะนี่แปลว่าความรู้เป็นวิชาความรู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนความสุขที่แท้จริงก็อยู่ที่ความสงบแทนที่จะให้สังขารปรุงไปหารูปเสียงกลิ่นรสก็ให้มัน หยุดปรุงแต่งเสียให้มันหยุดด้วยสติพุทโธพุทโธไปพอจิตหยุดปั๊บจิตก็มีความสุขจิตก็เลยไม่ต้องไปมีตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายใหม่ก็นี้ก็คือการการทํางานของจิตของเราตลอดระยะเวลาจิตของเราปรุงแต่งเพราะสังเพราะอาวิชชาคิดว่าเราต้องไปหาราบยศ ส, สรรเสาร์กันไปหารูปเสียงกลิ่นรสกันแต่พอมาฟังธรรมะนี้ได้วิชาใหม่ ในวิชาของพุทธเจ้าที่สอนว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การมาหยุดจิตหยุดความคิดหยุดสังขารความคิดปรุงแต่งด้วยสติได้ปัญญาถ้ามีสติมีปัญญาก็จะหยุดความคิดปรุงแต่งหยุดอุ ป, ปทานหยุดความอยากต่างๆได้ก็จะหยุดพบชาติได้หยุดการเวีว่ายตายเกิดได้ที่เรามาฟังธรรมนี้ก็เพื่อมาแก้อวิชามาเปลี่ยนอวิชาให้เป็นวิชา คำถามต่อไปจากคุณนพดลครับอาการตึงที่ใบหน้าบางคนเป็นบางคนไม่เป็นเพราะเหตุใดครับพระอาจารย์เป็นตอนไหนล่ะถ้าเป็นตอนนั่งก็เป็นเพราะกิเลสของแต่ละคนไม่เหมือนกันค น, คนมีกิเลสมากบางทีมันก็ตึงมากคนมีกิเลสน้อยมีสติมากมันก็จะไม่ค่อยตึงพอเวลานั่งนั่งสมาธินี้กิเลสมันจะต่อต้านมันจะไม่อยา ก, ม, ม, ยากมันจะไม่อยากอยู่เฉยเฉยมันชอบคิดชอบอยาก พอถูกบังคับให้หยุดคิดมันก็เลยเกิดอาการต่อต้านขึ้นมาก็เลยสร้างความรู้สึกอึดอัดรู้สึกอะไรขึ้นมาในใจแต่ถ้าคนที่มีสติมากก็จะสามารถควบคุมตัวนี้ได้เวลานั่งก็จะไม่รู้สึกเอึดอัดตอนต้นถ้านั่งอึดอัดนี้ต้องหาอะไรทําไปก่อนเช่นสวดมนต์ไปก่อนจะมานั่งดูลมนนี้มันทนไม่ไหวแล้วเพราะมันอึดอัดดูไม่ได้ ก็ถ้าดูไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนให้มันมีกิจกรรมอะไรทําไปก่อนกิจกรรมที่จะทําให้ใจมีสติขึ้นมาแล้วก็ระงับความความระงับกิโลกิเลสให้มันเบาบางลงก็สวดมนต์ไปยาวๆบางที่ต้องสวดครึ่งชั่วโมงชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วพอรู้สึกใจเบาใจสบายก็ลองนั่งเฉยๆนั่งดูลมหายใจเข้าออกมันก็จะไม่มีอาการตึงตา่ตางๆเกิดขึ้นมาคํำถามต่อไปจากคุณนําพลครับ อยากทราบว่าการที่เราฝากของไปร่วมบุญเช่นสิ่งของและปัจจัยเราจะได้รับบุญนั้นหรือไม่คะได้ก็อย่างเมื่อกี้ที่คนถามว่าฝากคนใส่บาทรถ้าเป็นของของเราเราเบริจาคไปเราก็ได้บุญส่วนนี้ไปส่วนที่เราไม่ได้ก็ส่วนที่เราเอาเวลาของเรานี้ไปเอาของไปให้โดยตรงอันนี้ก็เป็นของคนอื่นไปคําถามต่อไปจากคุณชายโยครับ รบกวนถามนะคะพอดีเห็นรูปหลวงปู่อุ่นล่าในเฟซหนูยกมือกราบแล้วใจสั่นเรื่อยๆแล้วมีน้ําตาล่วงออกมาค่ะเห็นรูปหลวงปู่เปลี่ยนก็ใจก็ใจสัน่นน้ําตาล่วงสะอื้นเลยค่ะเป็นเพราะอะไรคะก็เพราะว่าเราเห็นความจริงที่เรายังนับไม่ได้ไงคือความตายเพราะว่าจิตเรายังไม่ได้มีปัญญามีสติพอที่จะควบคุมจิตให้รู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องฝนตกแดดออกฟ้าล้องเราก็เลยเห็นว่าเป็นเรื่องเรื่องเรื่องรุนแรงเรื่องร้ายกาจพอเห็นแล้วก็จิตมันก็เลยมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เห็นแต่คนที่มีปัญญาเห็นแล้วจิตจะนิ่งจะสงบจะโปรงสังเวชว่านี่แหละเป็นความจริงเป็นเรื่องปกติของร่างกายของทุกคนไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตาม เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนคำถามต่อไปจากคุณมาลัยครับเวลาเรามาภาวนาจริงๆทำไมอารมณ์ความทุก์จากความคิดในเรื่องต่างๆถึงมากขึ้นกว่าตอนที่เราไม่เคยภาวนาคะับก็ว่าตอนนี้เราไม่ภาวนาเรามีเรื่องทำให้เรื่องคิดเรื่องกินเรื่องเล่นมันก็เลยเพลิดเพลินได้ทำาตามความอยากมันก็เป็นความสุขแต่พอเรามาภาวนาเราถูกกาจัด ถ, ถูกควบคุมบังคับไม่ให้ไปทําอะไรมันก็เลยเกิดอาการทุกข์ขึ้นมาเพราะความอยากอยากทําแล้วไม่ได้ทํามันก็จะทําให้เกิดใจเครียดใจอึดอัดขึ้นมาแต่ถ้าอยากแล้วได้ทํามันก็จะเพลิดเพลินสนุกสนาเนเฮฮาไปนั่นมันลําบากตรงนี้สําหรับผู้ที่ปฏิบัติเพราะจะต้องสู้กับความเครียดนี้เพราะเวลาอยากแล้วมันไม่ได้ทําตามความอยากมันจะเครียดแต่ถ้ามีสติมันจะแก้ได้ มันจะหยุดความอยากได้หยุดความคิดที่อยากจะไปทํานู่นทำนี้ได้พอไม่มีความคิดความอยากมันก็จะไม่รู้สึกเครียดมันก็จะอยู่คนเดียวได้คํำถามต่อไปจากคุณหมูครับในสมัยพุทธกาลคือสมัยพระพุทธเจ้านั้นมีสิ่งเคารพหรือสักการะเช่นสักการะพระศิวลี พ, พ, พระพิคเนตเทพเจ้าหรือเจ้าแม่ต่างๆปัจจุบันนี้มีมากแต่ใน มีมากแม้แต่ในวัดก็มีการก่อสร้างให้คนมากราบไหว้พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเรื่องแบบนี้ไว้อย่างไรบ้างครับ๋ออไม่มีอะไรเรื่องของพระพุทธเจ้ามีแค่กรรมอย่างเดียวนี่นเรื่องของการกระทําทําดีได้ดีทํำชั่วได้ชั่วเรื่องวัตถุถาวรและ ว, วัตถุไม่มีเลยอย่างดูวันนี้ไม่มีอะไรแม้แต่พระพุทธรูปแค่เขาสร้างมาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ปฏิเสธบอกว่าอย่าทําเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้า เราจะตัวเราอยู่ที่ธรรมะคาสอนถ้าอยากจะเข้าถึงตัวเราให้เข้าที่คําสอนของเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตดังนั้นพระพุทธศาสนานี้มีแค่สามอย่างมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่เป็นพระพุทธลูกพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าจริงๆถ้าตายไปแล้วก็หมดไปแต่ตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็อยู่ในพระธรรมคําสอนหรือพระอริยสงสาวกเพราะท่านจะเป็นคนที่จะเอาธรรมะมาสอนเรา พระพุทธลูบสอนอะไรเราไม่ได้ถาวรลวัตถุต่างๆสอนเราไม่ได้การจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้งหลุดพ้นจากการได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมอย่งางศาสนาพุทธจริงๆแล้วจะไม่มีถาวรลวัตถุไม่มีเจ้าแม่กวนอิมไม่มีอะไรต่างๆไม่มีวัตถุมงคลมีแต่ที่สงบที่เป็นป่าเป็นเขาที่เอื้อต่อการจเจริญ ต่อการปฏิบัติธรรมเท่านั้นคำถามต่อไปจากคุณปราณีครับถ้าให้เราถ้าเราให้คนอื่นโอนเงินทําบุญให้เราจะได้บุญไหมคะมาถึงเงินของเราใช่ไหมเงินให้เขาโอนคนอื่นถ้าเอาเงินคนอื่นโอนให้ก็ไม่คงจะมาถึงเงินของเราแล้วฝากก็โอนให้มั้งถ้าเป็นเงินของเราก็ได้บุญเป็นการเสียสละเงินบุญที่เกิดจากการเสียสละ แต่ถ้าคนอื่นเขาทำมันทำให้เราแล้วบอกว่านี่ทําบุญให้เธอองนี้ไม่ได้บุญหรอกเพราะมันเราไม่ได้เสียสละอะไรอย่างแม่บางทีอยากให้ลูกได้บุญก็เลยทําบุญให้กับลูกลูกไม่รู้เรื่องอะไรอันนี้ลูกไม่ได้บุญลูกจะได้บุญต่อเมื่อบูรุษบอกแม่ว่าผมฝานเงินแม่ไปทําบุญให้หน่อยนะเงินของผมเองถึงจะได้บุญคําถา ม, ถามต่อไปจากคุณสบายใจดีครับที่บ้านเพื่อน ทำร้านอาหารโดยแม่ของเพื่อนได้รับซื้อข้าวถุงที่ทางวัดได้รับมาจากการทำบุญของญาติโยมอีกที<ม>เนื่องจากมีจำนวนมากและใช้ไม่หมดไม่ทราบว่าเหมาะสมหรือเปล่าคะอ๋อไม่เป็นไรใช้ได้ทางวัดสามารถเอาไปก็เพิ่มเอามาใช้ประโยชน์ทางอื่นงเมีข้าวมากก็แต่ที่ที่วัดอาจจะขาดค่าน้าค่าไฟจะเอาข้าวไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟเขาก็ไม่ยอมรับ ก็เลยต้องไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินมาเพื่อที่จะมาจ่ายค่าน้ํำค่าไฟอย่างที่วัดป่าบ้านตาทุกปีเนี่ยมีพิธีถวายข้าวเพราะชาวนาชาวไร่เขาไม่มีเงินทองพอพ้ฤดูเก็บเกี่ยวเขาก็มีข้าวเขาก็ทําบุญประจําปีเอาข้าวที่เขาด้านนี้มาถวายวัดวัดก็ไปเรียกรงศรีมารับไปแล้วรงศรีเขาก็เปลี่ยนเป็นเงินถวายให้กับวัดไปวัดก็จะได้เอาไปใช้ประโยชน์ที่จําเป็นจะต้องใช้ อาจจะต้องซ่อมกุฏิสร้างศาลาสร้างกุฏิหรือทําอะไรก็ต้องใช้เงินนี้ไป น, นี่นไม่ไม่เป็นการเสียหายอะไรคําถามต่อไปจากคุณแหวนครับถ้าจะถวายทองคํากับมือพระทําได้หรือไม่ครับตามหลักข้อวินัยนีพระจะต้องเงินทองไม่ได้ถ้าจะถวายก็ต้องมอบไว้วางไว้ต่อหน้าได้อยู่แล้วพระจะสั่งให้ลูกศิษย์เป็นคนเก็บให้อีกทีนึง สมัยนี้ข้อ น, นี้ก็รู้สึกจะค่อนข้างที่จะหย่อนยานไปละถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วญาติโยมอยากจะให้เงินให้ซองบางทีก็เก่งใจก็รับกันไปนเพื่อให้เขามีความรู้สึกว่าเขาได้บุญเพราะเขาไม่เข้าใจจะมาคอยอธิบายให้เขาฟังก็มันก็ยุ่งยากบางทีก็เลยต้องตกกระไดพลอยโจรไปด้วยเอาเขาให้มาก็รับรับเสร็จแล้วก็ส่งให้ให้เด็กต่อไปแต่ตามหลักแล้วแต่ต้องเงินทองไม่ได้ คำถามต่อไปจากคุณจำปาครับถ้าถ้าเอาไปทําบุญแล้วทานข้าวไม่หมดมีคนบอกจะเป็นนี่วัดจริงไหมคะดิฉันไม่ได้ตั้งใจคะ่ะมาถึงไงไม่เข้าใจถ้าถ้าเราไปถ้าเราไปทําบุญแล้วทานข้าวไม่หมด อ, อมีคนบอกจะเป็นนี่วัดจริงไหมคะเราไม่เป็นหรอกอาหารที่เหลื อ, อนี่ทางวัดจัดมาเลี้ยงญาติอยู่นี้เป็น แล้วแต่ญาติโยมจะรับประทานมากน้อยที่เขากลัวรับประทานไม่หมดเขากลัวรอโรคไงตักใส่จานเยอะๆเราพอกินนี่กินกินได้แค่ครึ่งเดียวแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็ทิ้งมันก็เลยเหมือนก็ไปทําให้คนอื่นที่เขาจะกินไม่ได้กินก็ได้เพราะเราไปตักก่อนเขาถึงมีมีมีการบอกในทํานองสอนว่า กินแบบนี้แล้วเป็นน <clo> ี่วัดเท่านั้นแต่มันไม่เป็นนี่หรอกความจริงไม่เป็ น, นแต่ไม่ควรจะกินไม่ควรจะตักมากกว่าที่เราจะกินได้ควรจะตักเท่าที่เราจะกินไม่ควรจะให้มีอาหารเหลือจากการกินบางวัดนี่เขาบางขังคับพระเลยให้กินแบบไม่มีให้มีอาหารเหลืออยู่ในบาตรเลยถ้ า, หาเหลืออยู่ในบาตร น, านี่ผิดกติกาอยู่อยู่วัดนี้ไม่ได้ดังนั้นพระก็จะต้องระวังต้องตักเท่าที่จําเป็น เพื่อจะได้ไม่ไม่ควบคุมความโลภอย่างนี้เราจะได้ไม่เสียของคำถามต่อไปจะทาง youtube ครับจากคุณออนไลน์แก๊งครับม็อกแปดมีอะไรบ้างครับขอภาษาคนธรรมดาครับม็อกแปดก็มีหนึ่งความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าบุญมีจรงิงบาปมีจรงิงอนโลกมีจรงิงสวรรค์มีจรงิงการเวียนว่ายตายเกิดมีจรงิงเนี่ยเรียกว่าความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิข้อที่สองความ ที่ถูกต้องคิดว่าถ้าบุญมีจริงบาปมีจริงก็ต้องละต้องละบาปต้องทําบุญคิดว่าเราต้องทําบุญเราต้องไม่ทำบาปอย่างนี้เขเรียกว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องพอมีความคิดที่ถูกต้องก็มีการกระทําที่ถูกต้องก็จะไม่ทําบาปสามากัมมันโตก็คือไม่ทําบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตัวเวณี สัมมาวาจาก็การพูดที่ถูกต้องก็ต้องพูดที่เป็นคําพูดที่ไม่ไปทําให้คนอื่นเขาเสียหายหรือเราเสียหายจะไม่พูดโกหกไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดการอาชีพอาชีพที่ถูกต้องก็อาชีพที่ไม่เป็นทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่ทําอาชีพค้าสัตว์ ค่าเป็ดค่าไก่ค้าวัวค่าควายอะไรพวกนี้ก็ละเวน้นการกระทําอาชีพที่ทําให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนถึงแม้เราไม่ได้ทําเองก็ไม่ควรเช่นขายสุราเราไม่ได้ดื่มเองแต่คนที่เขาดื่มสุราเขาซื้อสุราไปดื่มเขาเมาแล้วเขาไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นได้ก็ไม่ควรจะค้าขายพวกสุราพวกยาพิษต่างๆสารพิษต่างๆพวกอาวุธต่างๆเพราะของพวกนี้มันจะไปทําร้ายผู้อื่น ก็ไม่ควรทำอาชีพเหล่านี้เรียกว่าสัมมาอาชีพสัมมาวายาโมก็คือความภาคเพียรความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้องก็ขยันทำบุญขยันลาบบาปขยันกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจเรียกว่าการการทำที่ถูกต้องสัมมาสติก็คือการระลึกที่ถูกต้องก็ให้ระลึกอยู่กับเรื่องที่ทำให้ใจสงบเจนให้ระลึกกับพุทธโธพุทธโธอย่าไประลึกถึงเรื่องเงินถ้าคิดเรื่องเงินแล้วใจไม่สงบ ใจมันจะมันจะร้อนใจมันจะเครียดให้ระลึลอกอยู่กับกรรมฐานสี่ชนิดด้วยกันจะทําให้ใจมีสมาสติคือใจจะนิ่งมีสมาสมาธิตามมาถ้ามีสติก็จะมีสมาธิตามมาสติก็ต้องเป็นสติในในกรรมฐานสี่สิบอย่าไปมีสติอยู่กับสถานที่ท่องเที่ยวอย่าไปอยู่สติอยู่กับล้านอาหารอยู่กับขนมของกิน อ น, นี้มันทำให้ใจไม่นิ่งมันจะทำให้ใจเกิดกิเลสเกิดความอยากขึ้นมายังห้มีสติอยู่กับพุทโธอยู่กับอสุภะอยู่กับร่างกายถ้ามีแล้วก็จะมีสัมมาสมาธิก็จิตจะสงบมีความสงบมีความสุข น, นี่คือมรรคแปดถ้ามีมรรคแปดก็จะสามารถบรรุ ถ, ถึงพานิพานได้เพราะจะสามารถกำจัดความอยากความโลภต่างๆให้หมดไปจากใจได้หมดแล้วเวลา